ดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา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 สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันนีสนานานะคะมาพบกับท่านฟังกันอีกเราพบกับท่านจันถึงสุขเหมือนเดิมเวลาเดิมเลยถึงแม้ว่าปีจะเปลี่ยนไปที่ทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวร้อยหกแข็งนี้แต่ว่าเราก็มีการปรับปรุงพัฒนารายการให้ มีความเข้มข้นแล้วก็เกิดประโยชน์กับผู้ฟังมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยการที่ในช่วงต้นของรายการนี้เราจะให้ท่านผู้ฟังได้ปฏิบัติธรรมและฟังพระสูตจากพระมาร์คชาคาวโรแห่งวัดนาป่าพงลำลูกาคลองสิบซึ่งขณะนี้ท่านก็พร้อมอยู่แล้วนะคะน้มักการกะท่านค่ะเจริญพรเช้านี้เราก็มาทําความเพียรด้วยการนั่งสมาธิกันต่อแล้วก็จะได้ให้ฟังพระสูตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ตรัสสอนเรื่องการประพฤติปฏิบัติไว้ก็ให้เราทําจิตลุก รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหากจิตหลุดไปคิดในทางสุขทุกข์ความคิดในอดีตความคิดปรุงแต่งไปอนาคตก็ให้รีบักความคิดนั้นเสียเรียกว่าการละนันทิหรือว่าการละความเพลินแล้วก็ตั้งจิตอยู่กับลมหายใจหลัพวกเราที่พร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนถึงการเจริญอาณาปานาสติเอาไว้ว่าอานอนอาณาปานาสติ เป็นอย่างไรเล่าอานอน์ภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอเมื่อหายใจเข้ายาว<อ>ก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้น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 รู้อยู่กับลมหายใจไม่ต้องมีคำบริกรรมทำกายให้สงบประงับหากคิดหลุดออกไปคิดในความคิดต่างๆความสุขความทุกข์เรื่องราวในอดีตความคิดปรวงแต่งในอนาคตก็ให้รีบวางความคิดนั้นเสียแล้วก็มาตั้งจิตอยู่กับลมหายใจดังที่พระพุทธเจ้าได้ตัสไว้และการที่เรามาทาความเพียรนั่งสมาธินี้ก็เป็นการมาทาความเพียรเผากิเลส ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่าการทําความเพลิเพเนเผากิเลสเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกอิริยาบถซึ่งท่านได้ตัดไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุ ก, กําลังเดินอยู่กําลังยืนอยู่กําลังนั่งอยู่กําลังนอนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิด ด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็ไม่รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้เส้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือพิกษุกที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังเดินอยู่กำลังยืนอยู่กำลังนั่งอยู่กำลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียงเผากิเลส รู้สึกกลัวต่อสิ่งอกุศลลาโมบเป็นคนปรารบความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดและะถ้าตอนนี้ใครอยู่ในอาเรบไหนความคิดในทางกามความคิดในทางทำให้คนอื่นลำบากเปล่าเ ป, าปาขึ้นมาหรือความคิดในทางเด็ดแค้น <c oughs> ก็ให้รีบสลักความคิดนั้นเสียแล้วก็มีสติรู้อยู่กับลมหายใจ <c oughs> สาหรับวันนี้เราก็ทาความเพียรมาได้สมควรแก่เวลา ค่อยๆ อ, ออกจากสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายเอรียบทแล้วก็ลืมตาขึ้นมาได้กอสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้แล้วเดี๋ยววันจันทร์เราก็มาทําความเพียรด้วยการนั่งสมาธิด้วยกันต่อวันนี้ก็พอเท่านี้นักมัสการขอบพระคุณพระมาร์คชาคาวโรวัดนาปะพงลำลูกกาคลองสิค่ะติดตามรับฟังรายการในช่วงของการนําการปฏิบัติธรรมพร้อมไปกับฟังพระสูตรจากพระมาร์คได้ใหม่นะคะในช่วงต้นของรายการทุกวันค่ะ ดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสรนสนิยสนทนาท่านฟังที่ครบรอคะ่ะท่านกําลังฟังสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเ m ฟเอค่ะและรายการที่ท่านกำลังฟังขณะนี้รายการสันสนิยสนทนานะคะดิฉันสรนสนิยนนาคพงษ์ดำเนินรายการเรากําลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลา เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะด้วยกันค่ะนวัต ก, การค่ะพระอาจารยภภภ์ภัยบูรณอภิปุโนนะคะอ๋อค่ะพระอาจารยภภ์ภัยบูรณอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวั ด, ดอุดรธา น, นีกันท่านผู้ฟังคะท่านอาจารย์คะมีสถิติว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันพุ่งขึ้นสูงอืเป็นการเปิดเผยของทางกระทรวงสาธรารณาสุขอะคะ่ะถ้าดูจากตัวเลขสรุปสรุปนะค ะ, ะเขาได้พบว่า ของปีก่อนนู่นสองพันห้รอยหสิบเอ็ดเนี่ย mm hmm. คนเสียชีวิตเข้าโรงพยาบาลมาสามแสนเอาขออภัยค่ะคนที่บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลมาสามแสนหกหมื่นกว่ารายเนี่ยอ oh. จากมาจากเหตุที่ตั้งใจทําร้ายตัวเองเพื่อฆ่าตัวตาย mm hmm. ถึงร้อยละสองแล้วก็เมื่อรวมคนที่เสียชีวิตจากการที่ได้รับบาดเจ็บทุกสาเหตุแล้วเนี่ยนะคะการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย เป็นอันดับสี่ของการบาดเจ็บในทุกสาเหตุ<ม>สถิติที่น่าสนใจก็คือผู้หญิงจะทำร้ายตัวเองมากกว่าผู้ชาย<ม>แล้วก็อยู่ในวัยหนุ่มสาวมากที่สุดกลุ่มที่เยอะที่สุดก็คือยี<ะ>่สิบถึงยี่สิบสี่รองลงมาเป็นกลุ่มที่อายุสิบห<ม>้าถึงสิบเก้ากับรองลงมาอีกอันดับหนึ่งจะอายุสูงขึ้นไปหน่อยคือยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าสรุปแล้วก็คือระหว่างอายุสิบห้าปีถึง ยี่สิบเก้าปีเนี่ยมีความพยายามในการฆ่าตัวตายมากเพียงแต่ว่ายี่สิบถึงยี่สิบสี่นะมากที่สุดนะคะแล้วก็อผู้ใช้แรงงานจะอยู่ในร้อยละสามสิบแปดของคนที่ฆ่าตัวตายคือเป็นกลุ่มที่มากที่สุดนะค ะ, อะรองลงมาเป็นนักเกรียนนิสิตนักศึกษาอืมอืมอืมอืมคือท่านก็สรุปบอกว่าสาเหตุหลายประการ เช่นเผชิญกับความเครียดคับข้องใจ oh. ทางด้านเศรษฐกิจบ้างสังคมบ้าง uh. กับอีกอย่างหนึ่งบอกเป็นพฤติกรรมเรือนแบบเปลี่ยนแบบ uh oh. เพราะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อเนี่ยนะคะ uh. และผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงคือผู้หญิงเนี่ยทมากกว่าแต่อาจจะเป็นผู้หญิงนะคะความสามารถในการทาได้สาเร็จจึงน้อยกว่า อ๋อมือมือหนักเนอะผู้ชายมือหนักค่ะแต่ทั้งทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยก็เคยสนทนากับท่านไปหลายครั้งแล้วใช่ใช่ยังเป็นเรื่องที่เห็นว่าเป็นปัญหาที่น่าสนใจมากเพราะว่านที่อยู่ในวัยค่าตัวตายเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ไม่รู้คิดนะคะก<ช>็ะอยู่ในวัยที่การเรียนรู้ก็ค่อนข้างเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตอาจจะยังไม่มากนกมีวุฒิภาวะพอที่จะไตรตรองใคร่ครววอะไรได้แล้ว ใช่ค่ะก็จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดมากจ้ะก็คือว่าคนที่มีวุฒิภาวะอย่างนี้เนี่ยทำไมเ้าถึงยังทําอย่างนี้อยู่เหรอไหมพอที่จะคิดใกล้กรวนสิ่งอะไรได้เนี่ยเพื่อที่จะมาฟังเห็นว่าประการแรกเนี่ยพระเจ้าพูดถึงถ้าเรามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะพุทธเจ้าบอกว่าผลของความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมีอยู่สองอย่าง คือหนึ่งบุคคลนั้นเนี่ยถูกความทุกข์ชนิดใดครอบงมแล้วนะย่อมตีอกร่ำให้ย่อมส่งเศร้าระทมใจคร่ํโกรนถึงความมุนงงหล ง, ง, งไหลอันนี้คือผลอย่างที่1น่ง <Okay. S 1> แต่ถ้าผลอย่างที่สองนะเขาจะต้องแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครน้อย่อมรู้วิธีเพื่อความดับไม่เหลือของทุกนี้ซักหนึ่งหรือสองวิธีเพราะนั้น <Okay. S 1> พอเราเจอความทุกข์แล้วเนี่ย อันดับเราจะมีอยู่สองทางเลือกแน่นอนทางเลือกแรกจะยอมจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นไหมหละ่ะหรือทางเลือกที่สองมาลองคิดดูจะว่าใครเนย่อมรู้วิธีเพื่อความดับไม่เหลือของทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีค่ะเพราะฉะนั้นพอเราเจอความทุกข์แล้วเนี่ยถ้าเธอจมปลักอยู่ในความทุกนี้นะประเด็นแรกจมปลักอยู่ในความทุกนี้ไม่สามารถหาูกบายในการนําออกได้อันนี้ก็จะเจอความทุกข์ระับที่หนึ่งแล้วคนที่ไม่เคยฟังธรรมเนี่ยไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ย จะไปแสวงหาความสุขแบบที่เป็นกามความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าไม่กดไม่ให้เสดใช่ไหมแล้วความสุขอย่างที่เป็นการอย่างเช่นอะไรบ้างอะทุกมากเลยไปชอปปิ้งดีกว่าทุกมากเลยไปหากินเหล้าดีกว่าทุกมากเลยไปหาเทีย่ยวที่นั่นที่นี่ดีกว่าใช้เงินหาความสุขทางกามแล้วบางทีเนี่ยมันไม่ได้พอไม่ได้แล้วเนี่ยจะเกิดความทุกข์อย่างที่สองขึ้นมาทันทีเป็นสองเท่าเลยค่ะ <'Kay. S 1> ถึงออกมา พเพราะฉะนพอความทุกข์อย่างแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยมันก็ทนได้ยากแต่ในขณะที่ถ้าคนเนี่ยผู้มีวิจรารณญาณแล้วเนี่ยมีความสามารถในการที่ไตรตรองไตรโครนเนี่ยได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมใช่ไหมประการแรกเลยพอเขาเจอความทุกข์ใช่ไหมเขาจะสามารถมีอุบายในการนำออกจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจอ ด, ด้พอมีอุบายในการนํำออกแล้วเนี่ยอย่างที่สองเขาจะไปหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าให้เสร ทำให้มากก็คือความสุขที่เกิดจากในภายในมันเอาได้ง่ายๆแค่มีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช่ไหมไม่ต้องพึ่งอะไรมากเออมันดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถคลายบรรเทาความทุกข์ที่ได้ก็จะไม่ทําสิ่งที่ว่าปานาธิบาคือไม่ฆ่าตัวตาย่ะถามว่าไอ้นี่มันก็กายของเราหนิทําไมเรามาฆ่าตัวเราเองแล้วมันถึงเป็นปานาธิบาตได้ไงก็เพราะว่าภูริเจ้าบอกว่ากายเนี้ยไม่ใช่ของเธอ กายเนี้ยไม่ใช่ของเธอทั้งหลายแล้วก็ไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นกายเนี้ยเป็นปฏิจจสมบปรณธรรมนะคือธรรมที่ปรุงแต่งกันขึ้นมานะไม่น่ามีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเธอเอากายเนี้ยที่ไม่ใช่ของเธอเนี่ยออกไปเนี่ย เ, เป็นปนานาติบาละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าเอะเรามีความทุกข์เราจะออกจากความทุกข์ได้ยังไงคืออุบายในการนําออกจากความทุกข์ใช่ไหมคืออย่าไปคิดอดีตให้คิดถึงปัจจุบันเท่านั้น อย่ที่สองให้หาความสุขอย่างอื่นเอาดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากในภายในค่ะอย่างนี้ก็จะสามารถที่เรียกว่า อ, อผ่านปัญหาวิกฤตของชีวิตไปได้เพราะฉะนั้นสื่ออย่างที่ที่คุณยมติวกำลังทำอยู่เนี้ยรายการที่เรากําลังจัดอยู่เนี้ยเป็นการนําข้อมูลนําธร ร, รมะเนี่ยให้ไปสู่เยาวชนบ้างสู่คนรุ่นใหม่บ้างสู่ทุกเพศทุกวัยเลยพราอเขารู้ข้อมูลนี้ได้มาปฏิบัติธรรมได้มาฟังธรรมปัญหาเหล่านี้น่าจะลดลงค่ะก็อย่างที่ ได้กราบเรียนท่านนะคะว่าเรื่องของอายุเนี่ยน่าสนใจนับย้อนขึ้นไปตั้งแต่สิบห้าปีถึงสิบเก้าปีร้อยละยี่สิบที่พยายามฆ่าตัวตายร้อยละยี่สิบสองเป็นยี่สิบถึงยี่สิบสี่ปีนะค ะ, ะแล้วก็ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าในร้อยละสิบเจ็ดแปลว่าคนในวัยเนี้ยจะต้องได้รับการทำให้รู้จักกับวิธีแก้ทุกข์นหมคะที่จะ ไม่จมปลักอยู่ในทุก oh. หาอุบายนำออกได้ก่อนที่จะไปถึงอายุนั้นแปลว่าคงต้องเริ่มปลูกฝังกันมาตั้งแต่วัยต้นๆด้วยนะคะใช่เป็นเยา ว, วชนไหมรุ่นนี่แหละต้องรีบเอาธรรมะเข้าให้ฟังเลยอันนี้สถานศึกษาหน้าที่จะซื้อความคิดที่เราเปิดธรรมที่ถูกปิดโดยพุททวั จ, จนะเนี่ยเอาไปใช้จริงๆเลยนะคะใช่คือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ให้วัคซีน ถ้าเป็นภาษาปัจจุบันเนี่ยไม่ใหญ่ถ้เป็นโรคร้ายเขาต้องหาวัคซีนเอามาให้กันเนี่ยนะคะมันก็ต้องให้วัคซีนทางใจ ใ, ให้เขาเรียนรู้เอาไว้รู้เท่ารู้ทันชีวิตไม่อย่างนั้นเราก็เป็นที่น่าเสียดายมากเพราะเหมือนกับเขาได้ทํากรรมใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยได้ฆ่าตัวตายแล้วคิดดูนะคุณผูมสิว่าเราเร า, เรากินข้าวทุกวันวันละสามื้อเช้าบางวันเย็นไม่เคยขาดถ้าถามว่าจิตเราก็ต้องกินอาหารเหมือนกัน อาหารของจิตคืออะไรอาหารของจิตก็คือการทําความดีพูดดีคิดดีทดําดีมันก็ต้องมีการให้อาหารจิตด้วยเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติศีลใช่ไหมได้ฟังธรรมได้เจริญสมาธิเนี่ยมันต้องให้อาหารตรุ๊กหวานชา้าตุ๊งวันเย็นเหมือนกันค่ะอาจารย์คะคำว่าอาหารของจิตที่หมายถึงคิดดีพูดดีทําดีนี้เป็นพุทธวจนะด้วยไหมคะอะพระพุทธเจ้าพูดถึงอาหารของวิชาอาหารของวิชาคือความรู้ใช่ไหมค่ะคือความรู้ในการที่จะนําออกไปจากทุกเนี่ย อาหารของวิชาก็คื อ, อความที่พูดดีคิดดีทําดีอ๋อพระพุทธองค์เรียกว่าเป็นอาหารของวิ ช, ชาตถูกต้อ ง, องค่ะแต่หมายความว่าเป็นอาหารของจิตนั่นเอ ง, องเพราะว่าพวกนี้มันไม่ต้องบริโภคเป็นข้าวเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นน้ำถูกต้องเพราะฉะนั้นเราเห็นสื่อเห็นอะไรเรามีแต่ความคิดดีๆข้าวนะอย่าให้ความชั่วเข้ามาทางตาหูจ ม, มือนไิจใจถามว่าจะทําอย่างนั้นได้ไงพระพุทธเจา บ, บอกให้ตามรักษาจิตด้วยสติ ตามรักษาจิตด้วยสติด้วยสติอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่จิตเราจะถูกรักษาใช่ไหมจิตเราคิดดีใช่ไหมการพูดก็จะดีการทําก็จะดีอ้าวอันนี้เป็นอาหารของวิชาโอ้ถูกต้องดีมากเลยค่ะความจริงแล้วมีการสรุปพูดถึงเรื่องของสติเไว้เยอะเหมือนกันนะคะที่ฉันเปิดนักสืบพิมพ์ไม่เจ อ, อ <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยมีคนพูดเยอะมากเลยพูดถึงเรื่องสติ <c oughs> พูดตรงกันหมดเลยนักสืพิมทุกเล่มคือเตือนว่าขอให้คนไทยเนี่ยได้ พร้อมใจกันมีสติอเพื่อที่จะรับกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมามแต่เขาก็สรุปทิ้งท้ายที่บทความบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ความเข้าใจในเรื่องของสติของแต่ละคนเนี่ยจะเข้าใจเหมือนกันหรือไม่อื ม, มสติเนี่ยมันจะต้องฝึกด้วยต่อแล้วที่ฝึกอยู่ถูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบใช่ไ่มที่พระเจ้าเน้นให้มีสติเนี่ยก็คือให้อยู่ในระบบของเจริญสติได้ด้วยมีด้วยสี่สี่วิธี ฐ<ส>านที่ตั้งของสติมีสี่อย่างอันดับแรกก็คือกายเอากายเป็นฐานที่ตั้งของสติหรือเอาความรู้สึกในกายก็ได้นะอันนี้ค <seventeen. S 1> ือเวทนาหรืออย่างที่สามเอจิตของเราก็ได้นะจิตที่มีสติจ่ออยู่เนี่ยแหละก็คือเอาเป็นที่ตั้งของสติก็ได้หรืออย่างที่สี่คื <ugh. S 1> อการเห็นธรรมต่างๆคือความเกิดความดับอันนี้ก็เป็นฐานที่ตั้งของสติได้ค <cả. S 1> ่ะคือเท่ากับว่ามีฐานที่ตั้งของสติ อยู่สี่อย่างถ้าเป็นแนวทางของพุทธองค์ก็คือกายนี้ของเรานะค ะ, ะความรู้สึกในกายของเราก็คือเวทนาค่ะกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมนั่นเอง่า อ, อ, อย่างละเอียดที่จะให้คนได้รู้ว่าวิธีตั้งสติอยู่ในจิตอยู่ในกายทำอย่างไรคะท่านอย่างละเอียดก็คือว่าอันดับแรกสมมติเราหายใจอย่างเงี้ยการที่เรามามีสติอยู่ใน ลมหายใจเรา ล, ลึกรู้ว่าเอ้ยเราหายใจอยู่เข้าออกนะอันเนี้คือความรู้สึกในกายละ่ะพระเจ้าบอกว่าลมหายใจคือการหนึ่งในกายทั้งหลาย <คะ S 1> อันดับที่สองก็คือถ้าลมหายใจกระทบส่วนไหนของจมูกนะแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นตรงไหนในจมูกเราเอาสติไว้ที่ความรู้สึกตรงนั้นความรู้สึกตรงนั้นนั่นแหละคือเวทนาน ร, รุปัสนาสตริปทานอ ค, <ะ S 1> คือมีความรู้สึกอยู่ที่จมูก ไม่ใช่ที่ลมหายใจนะแต่เป็นความรู้สึกของลมหายใจกระทบที่ในโรองจมูกค่ะอัน um นี้นจะเป็นเวทนาแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่จิตจิตเป็นที่เล่อนไปสู่ใจออินทรีย์ทั้งหลายเป็นที่เล่นไปสู่ใจใจเป็นที่เล่นไปสู่สติเพราะฉะนั้นสติที่ตั้งไว้ดีแล้วเนี่ยไม่ลืมหลงเนี่ยสติเนี่ยมันจะติดอยู่กับจิตเพราะฉะนั้นการที่เรามีสตินั่นแหละก็คือเห็นจิตแล้วก็คือตามเห็นจิตในจิต เขาคือเป็นผู้มีจิตตารุปปัสนาสติปัฏฐานใช่ไหมแล้วในระหว่างที่เรามีสติอยู่เนี่ยถ้าเราเห็นการเกิดเห็นการดับเห็นธรรมมันเป็นเครื่องตั้งขึ้นและธรรมมันตั้งอยู่ไม่ได้ เ, เห็นแค่เนี้เกิดดับเกิดดับเนี่ยนั่นน่ะสติของเธอที่ตั้งไว้นั้นน่ะตั้งอยู่ในธรรมที่คือการเกิดการดับเนี่ยนะสติอันนั้นแหละคือธรรมารุปปัสนาสติปัฏฐานค่ะนี่ก็เป็นพื้นฐาน เพื่อที่ให้เข้าใจไว้ก่อนแต่สําหรับคนที่ก้าวหน้าไปแล้วมีอะไรที่จะถ่ายถามมาที่พระอาจารย์ไพบูุต์อภิปุลโนเกี่ยวกับสภาวะของการปฏิบัติธรรมทั้งหลายอันนี้ก็ได้นะคะติดต่อที่ไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเพียง แ, แต่ว่าตอนนี้เวลาของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะคงจะมีแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้นะคะก็ในมรส ก, การของพระคุณพระอาจารย์ไพบุลรไว้ณโอกาสนี้ค่ ะ, ะเนสนญ ก, การสรรหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์ บรรลุซึ่งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา ท่านฟังคะท่านอยู่ในช่วงของรายการสรมสนีนสนทนาที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM ร้อนะคะเวลาที่เราเริ่มรายการก็ประมาณตีห้าเป็นเวลาที่จัดว่ายังเงียบอย่างสงบอยู่จึงเหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านจะหยิบฉวยในการที่จะปฏิบัติสมาธิสักนิดนึงเป็นการเผากิเลสของเราเป็นการเพิ่มกุศลให้กับตัวเราเองก่อนที่จะไปปฏิบัติภาร ก, กิจต่างๆในชีวิตประจําวันต้องเปิดกันมาตั้งแต่ตอนช่วงต้นรายการซึ่งเราจะมี พระมารคชาควโรมานำการปฏิบัติธรรมในช่วงนั้นและพอจบช่วงของท่านมาร์ก็จะได้พบกับพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุลโนมาสนทนาธรรมในช่วงที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะท่านที่จะติดต่อกับทางรายการจะสะดวกทางโทรศัพท์ก็หมายเลขเดิมนะคะ2อง0 0 6ส่วนถ้าทาง SMS เราใช้ร่วมกันกับรายการอื่นคือ4838106ถ้าเป็นเว็บไซต์อันนี้ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงหน่อย ระบุมาด้วยนะคะว่าท่านได้ส่งคําถามคําแนะนํามายังท่านใดพระมาร์คพระภัยบูนหรือว่าดิฉันสรนสนีนะคะที่ w w w p ์ e ไว l t h a m m a c o m แล้วก็ /106pl ที่แปลว่าบริสุทธิ์นะคะ puirethammadhamma เขียนติดกัน w w w p ์ e ไว l t h a m m a c o m 1 0 6ก็เป็น ที่อยู่ที่ท่านจะติดต่อกับรายการของเราสรนนิยสนทนาได้เป็นรายการที่ได้น้อมนําเอาพุทธว จ, จะนะทำวินัยจากพุทธโอษคือเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้เป็นมรดกให้กับพวกเราเพื่อที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันและฉันก็หวังว่าท่านฟังได้ความรู้แล้วจะได้นําเอาไปใช้กันทั่นทั่วและขอให้ธรรมนี้นะคะได้รักษาท่านผู้อยู่ใน ททั้งหลายผู้ประพฤติทำทั้งหลายให้มีชีวิตที่มีสุขมากทุกน้อยและถ้าท่านปฏิบัติตามธรรมมากๆถึงขนาดที่เป็นเหตุไปสู่การหลุดพ้นได้ก็จะขออนุโมทนาไว้นะโอกาสนี้ด้วยเลยนะคะเชิญมาติดตามรับฟังรายการกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เราคงต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะติดตามกันเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิถีแห่งการหลุดพ้นได้ในสันสนีสนทนา